ธรมสรรกญชามิสังฆังสร ความเดิมตอนที่แล้วพระพุทธเจ้าแสดงพุทธานุภาพเสด็จข้ามแม่น้ำเนวรัญชลาโดยรองน้ำไม่เปียกแม้ฝ่าพระพุทธบาททำให้ชายเจ้าของเรือเดกัดร้องไห้ในความเสียใจเพราะพระอนุกาศสร้างมหากุสลพระพุทธองค์ทรงประทับใต้ต้นอัชบาลิคโครงถเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วย้ายมาใต้ต้นมุจลินในต้นจิ ต, ตามคำกราบทูลรัตนาของพญามุจลินทนาครา ที่ออกมาขดเป็นบันลังและแผ่ผ่าพัานบางสายคนไทยรี ม, มกราบธูนะรัต น, นาให้เสด็จไปประทับที่ใต้ต้นเกตหรือราชายตนาภุษาและถวายผลสมอเพืญ่อญบรรยาบรรณ์และบันดาลให้กระบวนเปลี่ยนของพระคาสองพี่น้องมาติดลมที่ริมฝั่งแม่น้ำเ น, ำเนรัญชาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังละควรวิทยุเรื่องพระพุทธเจ้ามหาบุรุษิวารชมพูทวีป ตอนที่26ได้นับัด น, นี้ จงดูสิพอธาตุของข้าที่มีเทพพยายดามาสิงอยู่กล่าวจบเท่านั้นเวียนก็พันขึ้นออกจากกล่มที่ติดอยู่ได้เห็นไหมพลิกะห็่แล้วท่านพี่ตะปุษาว่าแต่โคของเราจะลากเวียนไปไหนพี่ว่าน่าจะตรงไปที่ไม้เกศต้นใหญ่นั้นเจ้าเห็นไหมว่ามีนักบวดรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้ลงเงาไม้นั่นไม่ใช่นักบวชธรรมดานะท่านพี่ตปุสาเมื่อครัว พระอินพึ่งบอกว่าท่านเคยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ตัดสรุ้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะขอบใจมากภริกาที่เตือนพี่เราสองคนพี่น้องและผู้พ้องพ่อค้าทั้งหลายคงมีบุญอันยิ่งใหญ่ถึงได้ฝ้า บ, บพุทธเจ้าก่อนใครๆยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งรู้สึกถึงสุวรรณรังศีอันสว่างจ้าแต่ว่ากลับมีความเย็นตาสบายใจ ไม่ร้อนแรงแม้แต่น้อยพี่ว่าเราลงจากเกวียนและค่อยๆเดินตรงเข้าไปน้อมนมัสการพระพุทธองค์กันดีกว่าอย่ายืนบนเกวียนเลยพลิกะเพราะจะอยู่สูงกว่าพระองค์ท่านที่ประทับนั่งอยู่ดูจะไม่เป็นการเหมาะสมเท่าไหร่และอัปปีจังไรจะถามหาข้าเห็นด้วยกับท่านพี่พวกเจ้าก็ตามเราสองคนเข้ามาด้วยสิขอรัอบใายท่าน ดูก่อนในวันนิตทั้งหลายพวกท่านคงเดินทางมาเพื่อค้าขายแต่เราตถาคตเป็นผู้พิคขาจึงไม่มีเงินทองจะซื้อสินค้าของพวกท่านได้ขอเดชะพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้านามว่าตะปุสะกับน้องชายข้าพระพุทธเจ้านามพันลิกะพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความประสงค์ที่จะค้าขายสิ่งใด แต่ปรารถนาจะถวายข้าวสตุผงและข้าวสตุก้อนข้าวสตุผงและข้าวสตุก้อนคือข้าวตากคั่วแล้วตําเป็นผงคลุกกับน้ําตาลและมะพร้าวใช้เป็นสเสบียงอาหารในการเดินทางยาวไกลแต่ข้าวสตุผงและข้าวสตุก้อนของพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความพิเศษที่นํามาคลุกเคล้ากับเนยใสน้ําผึ้งและน้ําตาล ดยความประณีพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์อนุเคราะห์รับโภชนะหารนี้และบริขารทั้งหลายอันมีภาคครองเป็นต้นเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ผู้ข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลและนานเถิดสาธุตถาคตกินดีรับไวสมเด็จพระบรมศารสด ประธานพระเกาาศาธาตุแปดองค์แก่ตบุสะและภริกะสองพี่น้องซึ่งได้นํานไปประสิทธานไว้ในพระเจดีย์ใกล้ประตูเมืองอาซิตันชนะนครทุกวันอุโบสถสิงจะปรากฏแสงสีเขียวโอภาษามาจาับพระเจดีย์และในการต่อมาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประธานฐา น, นันดรสักขิสองพี่น้องไปดูบาศกสองคนแรกในมวบพุติศสาสนาผู้เลิศ ก, กว่าวาศึกทั้งวง ในการเป็นผู้ถึงสรณะแม้จะไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาต่ประการใดนะพระเทตวันมหาวิหาร ข้าวมหาพงศ์ผู้ข้าพเจ้ามีความสงสัยเทพ ย, ยาดาทั้งหลายที่เช่งสงสัยเชิญผู้ท่านถามมาได้พระพุทธ อ, องค์เสวยข้าวสติผงและข้าวสตุกกอนอันตบุตสศักด์กับล ร, ริกัตนายวานิชสองพี่น้องนำมาถวายแล้วต่อไปโภชนะหารทิพย์ของพวกเราไม่ต้องถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกต่อไป พระองค์จะเสวยพระกยาหารของปุถุชนธรรมดาอันพิขามาได้และจะทรงกระทำพุทธจารยวัดเช่นคนทั่วไปมากกว่าจะใช้พุทธานุภาพให้บังเกิดความสะดวกสบายแก่พระองค์เองปวขาพระเจ้าเข้าใจและหายสงสัยแล้วองค์อมรินมินนาเมื่อเช้านี้เราจึงได้เห็นพระพุทธองค์สเสด็จออกบิณฑบาตเพื่อพิขาพระพระพุทธองค์ทรงมีความมุ่งหมายเพื่อโปรดสัตทั้งหลาย ให้มีโอกาสสร้างกุศลพรบุญมากกว่านั่นสถิตกรรมมาแล้วแต่เอ๊มีพราหมณ์ชลาและปริพาชกที่เป็นนักบวชสูงวัยตามมาห่างกันมากมายหลายคนจะว่าตามมาเพื่อฟังพุทธธรรมหรือคำสั่งสอนเทศนาก็ไม่น่าจะใช่พวกเขาเหล่านั้นต้องการอันใดกันแน่นะ เดินกันไหนมันช้าหน่อยสิพวกทันรังไล่ข้าจะไม่ใช่สาวหน่อยหรือสาวใหญ่แต่ว่าถูงไว้เต็มทีแล้อจะก้าวยายาวแล้วก็ลุดแล้วอย่างพวกท่านนี่นะโอ้ยข้าชักไม่ไหวแล้วแล้วกัน รู้ตัวว่าันานี่ยังจะตามมาทำไมล่ะเอาอข้าได้ยินผู้คนในหมู่บ้านโจดันกันว่มีนักบวชหนุ่มใหญ่ไว้สามสิบผ้ามาดัดสรูปเป็นพระสัพพัญญูผุตรเจ้าที่ริมฝั่งน้ำในรันราเวลาออกไปบินทาบปาทในหมู่บ้าน ก็ดูพุทธองเป็นจังหาราสีอันทองใสข้า ก, ก็เลืออยากมาเห็นกับตาว่าเป็นยังไงท่านพระผู้มีอวสก็เห็นกันใช่ไหมละ่ะอืก็ใช่นัเสินักบวช น, นี้มีวัยเพียง35ส้าปีย่มอมหอนอวสกว่าข้าหลายปี แล้วท่านโยคีล่ะอาตมานายโยกราชกาวเสร็จแร็วนะเป็นพูกของนักบวชนั่นก็ยังได้ลูกวนขขาเนี่ยเป็นยาเป็นยามันก็ไม่แปลกตรงไหนแม้ข้าจะมีไวไม่มากนะแต่ก็อาวุโสกว่านักบวชนั่นน่าจะเรียกว่าพี่ชาย แต่พวกเราทั้งหลายต่างเป็นผู้มีอายุทั้งนั้นเมื่อเราพากันเข้าไปก็สมควรที่นักงบวชเแม่จะอวดว่าตัดสัตวก็ไม่สมควรจะอยู่นิ่งเฉยแหละแตะต้องลุ้นรับอาภิวายังอจชักนั่ให้พวกเราโดเป็นผูเขาดนัง่งอ๋อขันว่าจริงมะเร่อข่แแรแ แต่ทำไมนักบวชเนี่ยถึงยังนั่งเฉย อ, อยู่ละ่ะหรือว่ามิทิทิมานะเกินกว่าจะสนใจใครจเจริญพรท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านมหาตถาคตถึงที่นี่มีจุดประสงค์อย่างไรนักบวชเลยปากพูดแล้วดูสิว่าจะลุกขึ้นหรีว่าหรือวัน อ, อ, อันวาพรานนักบวชเอาโซและชายหญิงไวยราทั้งหลายตลอดจนเทวดามาสรรพสัตว์ในโลกนี้แม้แต่พระพรหมในพรหมโลกก็ดีหากเราตถาคตลุกขึ้นยืนต้อนรับอภิวาส หรือตั้งอาสนะให้ผู้ใดผู้นั้นย่อมศีรษะแตกกระจายออกนักบวชหนุ่มข้าพเจ้าได้ยินมาว่าท่านไม่ลุกต้อนรับไม่อภิวาทไม่ตั้งอาสนะให้แม้แต่ผู้เชร้าเหล่านี้ซึ่งมีวัยถึงแปดสิบเก้าสิและร้อยปี นี่ได้เห็นกับตาว่าเป็นจริงตามที่ทุกคนพูดกันนั่นคือท่านไม่เขารกในอาุโสพวกท่านทั้งหลายพราหมณ์ผู้มีอายุนักบวชอาุโสผู้เท่าผู้ใหญ่หากไม่รู้จักธรรมะแม้จะอายุ8ป90ิหรือร้อยปีตามกำเนิดก็ดี แต่ยังมีคำพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมะไม่มีวินยัยย่อมจัดเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผานได้แต่คนผู้ใดแม้ยังอ่อนยังหนุ่มมีผมดำอยู่ในปฐมวัยแต่มีคำพูดเหมาะพูดจริงพูดมีประโยชน์มีธรรมะมีวินยัย ก็นับเป็นเทระผู้บันทิตได้โอยผู้อะไรไม่เห็นเข้าใจก็มาเอาข้าไปก่อนดีกว่าออาวอาแนวกั น, นได้ไหนว่าสาเรเดินช้าอย่างนี้เลยย้ยไปเรื่งองเราสิคนนี้เรอคัาดูสิยายอมแบม <c oughs> เราเหล่าเทพพยาดาทั้งหลายจงดูนั่นอันพรามนับบวชและผู้ชราอาวุโสต่างพากันกลับไปด้วยความมืดมัวในมิจฉาทิฏฐิโดยไม่ทันได้ฟังพุทธธรรมมันมีค่าน่าเสียดายแทนเขาเหล่านั้นจริงๆพวกข้าพเจ้าก็เสียดายยิ่งเหมือนองค์อมรินท่านเช่นกันพระพุทธองค์ก็คงจะทรงคิดเช่นนั้น จึงได้เสด็จไปกระทำพุทธาราพึงอยู่พระองค์เดียวที่ริมน้ำในรัญชราบ้างในป่าบ้างใครเนาะจะมีความสามารถรับฟังได้ว่าทรงมีพุทธาราพึงประการใดเรามหาพรหมผู้ปเป็นใหญ่จะแฝงกายเข้าไปฟังและนำความมาแจ้งกับท่านละ เรานั้นแห้งแล้งแต่ผู้เดียวเปียกแล้วแต่ผู้เดียวเป็นไม่หนีแสวงหาอริยภุสลอันประเสริฐแต่ธรรมะที่เรามารุนนี้เป็นธรรมะอันลึกซึ้งสัตว์อื่นเห็นได้ยาก <จะ S 1> ยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตาวยากนักที่จะเข้าใจาาหากเราแสดงธรรมแล้วไม่มีใครรู้ถึงและลึกซึ้งในพุทธธรรมจะเสียเวลาเปลา่า เป็นความเหนื่อยเปล่าแกเราจึงไม่สมควรจะจาริกไปเพื่อประกาศธรรมะของเราเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงคิดเช่นนี้โลกจะทิ้งคลาวดฉิบหายแล้วหรือนี่อะันเท้ามหาลมเหตุใดท่านจึงกล่าวคำว่าโลกจกฉิบหายพวกข้าพเจ้าทั้งหลายก็ได้ยินเช่นนั้น หรือท่านปีวโกรธอันใดกับผู้ใดจึงได้กล่าวคำอรุนแรงขึ้นมาได้ เกษนีรัศมีถึงได้พากันวิ่งหน้าตั้งเข้ามาหาเราเช่นนี้มีนายวานนิดพี่น้องสองนายมาขอข้าวเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลองค์เหลือหัวกับพระมหาเศษศีแต่คะนี่คงจะพากันไปแอบฟังหรือแอบดูเพราะความอยากรู้อยากเห็นมาละสิ<ม>พวกนายวานนิ้จะมีอะไรนอกจากนำสินค้ามาเสนอขายหรือว่านำสิ่งแปลกๆจากเมืองไกลมาถวายเสด็จพ่อเสด็จแม่เท่านั้น ละนี่เดินเหินกันช้าๆอย่างเป็นจักรกลยานีกันไม่เป็นหรือไงถึงได้วิ่งกันจนหอบใหญ่อย่างนี้จะมีวิ่ห่อนใช่ไมคะแต่หล่อนก็จริงแชลงฉันไม่ยากเป็นอัศวีมัวแต่เถียงกันอยู่ได้เราเลยไม่รู้เรื่องอะไรสัทีที่ว่ามีข่าวใหญ่ตรงไหนคือคอหมอฉันได้ยินว่าอพูนมาทีละคนเพคค่ะประชาชนเกสันนี่เพคะเออคืออย่างนี้เพคะ ในวันนี้ทั้งสองมากราบบังคมทูลองค์เหลือหัวกับพระมเหสีว่าเขาได้เข้าเฝ้าเจ้าชายสิทธัตถะผู้ทรงเป็นพระสวามีหรือองค์รัชทายาทแห่งกรุงกบิรพัเมืาไม่นานมานี้เพคะได้เข้าเฝ้าเสด็จพี่พคะ่ะนี่แสดงว่าเสด็จพี่ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่เป็นที่แน่นอนแล้วนะสิ<ม>เขา เ, เขาเสด็จพี่ที่ไหน กลับมาโคนทูลเสด็จพ่อว่าอย่างไรแล้วเวลานี้เขาทั้งสองคนนังอยู่หรือไม่คือโม่แต่อึกอากเอออากันอยู่ได้เดี๋ยวเราไปถามเองดีกว่าดิเสด็จช้าๆเพคะเพื่งทรงตำหนิหม่อมชั้นอยู่เมื่อกี้เรื่ออย่างนี้ใครขโมยช้ากันอยู่หล่ะพี่เกศณีตามเสด็จพระชายาไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋รอชั้นด้วยสิแม่รัศมี ตพันลิกาจงตามเสด็จองค์เหนือหัวและเรามาเพื่อเข้าเฝ้ากับทูลพระชายาพิมพาและเล่าถึงผู้ทีเจ้าได้พบมาเช่นเดียวกับที่เล่าให้เราฟังพระเจ้าค่ะไปไม่ถึงตำหนักลูกแล้วหรอกนะชาบดีพราพิมพามาท่านแล้วเห็นไม่ะถาวายบังคมเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ถาวายบังคมเพคะสองท่านนี้ใช่ไหมที่พบเสด็จพี่ ขอเดชะเข้าพุทธเจ้าตาปุษะข้าพุทธเจ้าพันลิกาพระเจ้าค่ะคงไม่มีใครอยากรู้ว่าพวกเจ้ามีนามว่าอะไรแล้วล่ะรีบเล่าถึงผู้ที่เจ้าพบมาดีกว่าพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าทั้งสองได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะบัดนี้ พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมพันธ์แล้วพระเจ้าค่ะเราไม่ได้อยากรู้ว่าเสด็จพี่ของเราตรัสรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรแต่ที่สนใจก็คือท่านทั้งสองเห็นว่าเสด็จพี่ทรงมีพระพารณาไมดีหรือไม่พระองค์ทรงมีความสุขหรือทุกร้อนประการใดนี่รีบกลับทูปัายาไปไปไวสิอย่ามัวแต่อ้ามอึนกันอยู่อย่างนี้ พระชายาได้ฟังคากราบทูลของนายวานนิดแล้วก็เสด็จ ก, กลับมารู้สึกว่าจะทรงเปลี่ยนไปมากเลยหน้ารัศมีนั่นนะ่ะสิพิเกษนีคงจะดีพระไทยที่ได้ยินข่าวพระสวามีนี้นะออแล้วที่ก็กลาบทูลว่าเจ้าชายตัดสิรู้แล้วล่ะใครจะไปสนใจว่าจะทรงตัดสรู้อะไร รู้แค่ว่ายังดำรงประชนที่ก็ดีใจทับตายแล้วล่ะสองคนนี่มานินทาอะไร<น><น>ฉันเอเคือหม่ำฉันเสด็จแม่ราหุลลูกแม่ทําไมลูกมองหน้าแม่อย่างนี้หรือแม่มีอะไรที่แปลกไปเสด็จแม่แย้มสวนได้ลูกไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยว่าเวลาเสด็จแม่แย้มสวน<ฮ>จะชวนมองอย่างนี้ ดีพ่อไทยเรื่องอะไรพ่อจ้าวค่ะแม่ดีใจสิจ๊ะลูกจ๋าเรียกว่าดีใจที่สุดในชีวิตเลยล่ะ ไรานามผู้แสดงสัจพฤษศรีหามเมธีปันทรัตพนเกียรติบุรโชนสันศรีสริยาพรบรการเจริญดีเปรมกรมลโชติกาสเสถียนฐานิตศรีสินรัตเกณฑนิตเรืองศรีสุพิสราพัฒน์เจริญพิทยารักษ์สุทธิพัฒน์อ่อนปรางจรุพัฒน์เสเวตรรัตโชติกาเสเวตรรัตอ่อนวีนาเจริญพิทยารักษ์นัทพงศ์วัฒนบุญญาประทิดิศิบรการเจริญดีกกับการแสดง สัจพุธีหาเมธีอำนวยการ